ทั้งที่แล้วที่หนูมากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะออแล้วหลวงพ่อสอนไปว่าการปฏิบัติอ่ะอต้องเหมือนเหลาไม้ค่อยๆเหลาอค่ะไปปฏิบัติครั้งนี้ปฏิบัติตามเจ้าค่ะแล้วก็สภาวะก็ค่อนข้างที่จะเป็นตามความเป็นจริง <c oughs> เห็นตามความเป็นจริงไม่เล่าร้อน <c oughs> เจ้าค่ะพวกเราจะรีบร้อนทำไม <c oughs> เวลาสําหรับการปฏิบัติมีเยอะ ยึดตรับใดยังมีกิเลสยังมีเวลาอีกนะไม่ต้องรีบอนะ่ะคอยรู้คอยดูด้วยเอาคุณยาวก็ามา ก, กับเขาด้วยเพิ่งจะเห็นตอนนี้ประคองไว้นิดหน่อยเจ้าค่นะหลวงพ่อเจ้าคะ่ะคือเวลาที่เขาปวดขาขึ้นมาเนี่ยนะคะหนูก็ไปเห็นว่าสภาวะเนี่ยไม่ชอบการปวดเนี่ยเขาก็ก็ก็วางไปอะคะ่ะ แต่เวลาออกจากสมาธิอะค่ะมันจะขยับไม่ได้มันปวดสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้หนูขอสงเคราะห์ให้หลวงพ่ออธิบายธรรมะชุดนี้ให้หนูฟังหน่อยเจ้าค่ะคือจริงๆเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้ปวดแต่เราภาวนาเพื่อจะให้มีสติมีปัญญาเห็นว่าสภาวะทั้งหมดนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเมื่ก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตงแต่ศาลาลุงชิน้างมาบอกว่านั่งดูเวทนาเงี้ย ปฏิบัติยังไม่เก่งเวทนาไม่ดับเราไม่ได้ฝึกเพื่อดับเวทนาเราฝึกเพื่อให้เห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งความไม่ชอบเวทนาก็อีกส่วนหนึ่งคือขันแต่ละขันแล้วแต่ละขันก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายก็เป็นวัตถุธาตุเวทนาก็เป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาใจเป็นธรรมชาติที่ไปรู้มันสภาวะแต่ละอันแต่ละอันนี้ไม่มีเรา เราเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีเรา น, ะนี่บางคนจะไปตั้งเป้าผิดเพื่อเรียนเพื่อให้มันไม่เจ็บไม่ปวดอยากไม่เจ็บไม่ปวดก็เปลี่ยนอิริยาบถไปหรือไปกินยาแก้ปวดเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเรานะฮะนี่เวลาที่จิตทรงอยู่ในสมาธิพอจิตรวมลงไปนะมันตัดการรับรู้ทางกายออกเวทนาจางลงเราถอยออกมาอยู่ข้างนอกนี่ความจริงก็ปรากฏตามที่เขาเป็นนั่นแหละ เราไม่ได้ฝึกว่าเราไม่เก่งนะที่มีเวทนาไม่ใช่แต่ถ้ามีเวทนาแล้วจิตวันไหวยินดียินร้ายนี่อันนี้ยังไม่เก่งแต่ถ้ามีเวทนาแล้วก็สักว่าเห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นหเก่ ง, งยังไงอีกหนูสงสัยอยู่เรื่องค่ะหลวงพ่อเจ้าขาคือหนูปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่รู้เกิดดับแล้วก็ตามพระไตรลักษณ แล้วหนูก็มาเข้าใจว่าหนูปฏิบัติไม่ดีเพราะญาณปัญญาณที่หนูเคยได้มันหายไปหมดจ้ะค่ะมันไม่ใช่ญาณสิคือจริงๆแล้วแม้กระทั่งญาณทั้งหลายนะมันเป็นโลกียาญาณมันเสื่อมเกิดแล้วก็ดับได้ไม่ใช่ว่าของถาวรเราไม่เอามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรหรอกที่คุณเพ็ญศรีควรจะฝึกก็คือหัดดูสภาวะจอกระทั่งจิตมันเป็นกลางกับสภาวะ เมื่อจิตเป็นกลางกับสภาวะแล้วเนี่ยพอไปรู้สภาวะแล้วจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อตัวนี้ตัวสำคัญในสุดจะเหลือแต่สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ปรุงแต่งต่อเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยภพชาติในใจที่จะสร้างขึ้นใหม่ก็ไม่มีความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้ยิ่นอย่างเราเห็นขันห้าเขาทำงานเขาปรุงแต่งเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปแต่ใจเราไม่ปรุงแต่งต่อ เมใจไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยจิตจะพ้นจากความปรุงแต่งได้ถ้ามีกําลังพอระวังความยึดถือในรูปในนามไปจิตก็จะเข้ามรรคผลนิพพานงั้นจุดสําคัญคือเราภาวนาไม่ใช่ว่าจะต้องมีปรากฏการแปลกๆขึ้นมาไม่มีนัยยะอะไรเลยเราถูกตําราชั้นหลังๆมันหลอกจุดสําคัญก็คือว่าเมื่อเราไปรู้สภาวะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีเราก่อน มีแต่สภาวะเกิดแล้วก็ดับสภาวะเกิดแล้วก็ดับพอตัวเราหายไปนะบางคนจะรู้สึกกลัวบางคน ร, รู้สึกว่งวางว่างไม่มีที่พึ่งบางคน ร, รู้สึกเบื่อเนี่ยมันก็เป็นยานอยู่กลุ่มกลางๆนั่นนะนะอาตถินวายาณพะยะตูปัทานานัยนิพิทายานอะไรเงี้ยไม่ได้มีนัยยะอะไรพอใจมันเบื่อใจมันกลัวอะไรเงี้ยเราก็รู้ตามไปอีกนะเห็นความเบือ่อความกลัวอยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหากพอใจตั้งมั่นขึ้นมา มันจะไม่เกิดการดิ้นรนทํางานสภาวะธรรมเกิดแล้วสักว่ารู้สักว่าเห็นเลยถ้ายินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันอีกยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันอีกในสุดจิตไม่ยินดียินร้ายรู้ด้วยความไม่ยินดียินร้ายรู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดเลยการปฏิบัตินะเราอุตส่าห์ทำแทบเป็นแทบตายเนี่ยมุ่งมาสู่จุดนี้เองจุดที่เรารู้สภาวะแล้วไม่ปรุงแต่งต่อนี่ถ้ารู้แล้วปรุงแต่งต่อคือสร้างภพอันใหม่ขึ้นมาอีกนะ ปรุงแต่งขึ้นมาก็ห่างไกลมากผลนิพพานออกไปถ้าไม่ปรุงต่อนะเห็นแต่ทุกอย่างเกิดระดับไปเรื่อยอย่างกลางอย่างแท้จริงนะเนี่ยถึงจุดที่มันอิ่มมันพอเนี่ยอริยามากคจะเกิดขึ้นจิต ท, ที่ไม่ปรุงแต่งต่อด้วยความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเรียกว่ามันมีสังขารู้เบกขายานสังขารู้เบกขายานคือมันมีปัญญาจนมันเป็นกลางต่อสังขารคือความปรุงแต่งมันจะเห็นสุขและทุกข์เห็นดีและชั่วในเสมอภาคกัน ใจเป็นกลางจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นทุกขเวทนาไม่ชอบเห็นสุขเวทนาชอบเนี่ยแต่มันเห็นม่าทุกอย่างเสมอภาคกันเสมอภาคกันด้วยความเป็นไจรักณกุศลและอกุศลก็เสมอภาคกันด้วยความเป็นไจรักษเนี่ยที่จิตเราเดินมาสู่จุดนี้นะจิตไม่ทํางานต่อละจิตหมดความปรุงแต่งจิตจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งจะเห็น น, นิพพานนี่มันมีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งที่นักปฏิบัติต้องผจญทุกคนอะ ในขณะที่เราตามรู้สภาวธรรมเกิดดับไปเรื่อยๆนะมันยังมีกิเลส ท, ที่ชื่อว่ากูกุจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะได้สถีเนะมื่อไหร่จะได้สถีนะตัวเนี้ยตัวนี่เป็นตัวหลอกหลอนที่ร้ายกาจมากนะให้รู้ทันลงไปอีกเช่นเดียวกับกิเลสตัวอื่นะในสมัยพุทธกาลก็มีหลวงพ่อเล่าเรื่อยเรื่องพระอนุรุตนะพระอนุรุษภาวนาอยู่ได้ธรรมะชัน้นต้นๆแล้ว เส็แล้วท่านก็ได้ที่พจักษุด้วยท่านก็เที่ยวดูโลกธาตุทั้งหลายเห็นโลกธาตุเกิดดับเห็นสัตว์นั่นเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนี่ดูเกิดดับเหมือนกันนะดูเป็นหลายวันแล้วช่างหุหงิดไม่บรรลุไปถามพระสารีบุตรข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญกับผมมีที่พจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุเกิดดับทั้งทันโลกในเวลาครู่เดียวท่านเจโตท่านไวย ทิปจักรุท่านไหวดูเห็นเกิดดับวปั๊บไปทําไมผมไม่บรรลุพระอรหรันต์สักทีสารีบุตรก็แยกแยะให้ฟังบอกที่ท่านบอกว่าท่านมีทิปจักรสุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยท่านมีอิโก้มีมานะกูเก่งกูเก่งนี่กิเลสตัวที่1ท่านเที่ยวดูโลกธาตุเกิดดับทั้งพันโลกทำไมไม่ดูตัวเองไปดูข้างนอกนะนั่นจิตฟุ้งซ่านอุท จ, จักแล้วก็ท่านที่บอกว่า ทำไมไม่บราารลุพระอรหันต์สทีเนี่ยชื่อกูกุจจะมันเป็นโทสะชนิดหนึ่งใจมันหงุดหงิดว่าไอ้ของดีๆยังทำไม่ได้หรือไปทำของไม่ดีเข้าเรียกว่ากูกุจจะใจมันร้อนขึ้นมาบอกให้ละทมสามอันนี้น้อมจิตไปสั่วมตรตธาตุแล้ท่านจะบราารลุพระอรหันต์โดยเร็วละทรสามอย่างนี้ก็คือละความถือตัวกูเก่งกูเก่งเนี่ยให้รู้ทันมันลงไปละด้วยการรู้ทันนะ ว่ามันอยู่ในสังขารขันธ์กิเลสทั้งหลายหน้าที่ของเราต่อสังขารขันธ์คือการรู้ทันเหมถือตัวว่าแน่ก็ดูไปจิตฟุ้งซ่านเที่ยวดูโน่นดูนี่รู้ทันจิตเล่าร้อนใจขึ้นมาไม่ได้สักทีเหมือนที่คุณเป็นสีเป็นเขรู้ทันลงไปน้อมจิตไปส่วนมัตตธาสมาตธาต์ตาเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งคือรู้ทันจิตใจจึงเขาหยุดความปรุงแต่งไป เหลือแต่ธรรมชาติรู้ล้วนๆเลยไม่ปรุงต่อรู้แล้วไม่ปรุงต่อตัวนี้สำคัญนะรู้แล้วจบลงที่รู้แต่มันจบด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่จบด้วยการบังคับไม่ใช่ด้วยการกาหนดหลวงพ่ออ่านตำราของอาจารย์มีแม่ชีคนเอามมาให้อ่าน <c oughs> อ่านแล้วบอกว่าให้เรากาหนดไว้ตาเห็นรูปให้กาหนดไว้นะโอได้ยินเสียงให้กาหนดไว้เพื่ออะไรเพื่อตัดเวทนา ถ้าไม่มีเวทนาจะได้ไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุทาปาทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีทุกข์อันนี้มุ่งกําหนดไปเพื่อตัดเวทนาเข้าใจผิดสิ้นเชิงเลยเวทนาเป็นธรรมชาติหรือเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่มีใครตัดได้ตัดได้แต่ทุกขเวทนาสุขเวทนานะเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นอุเบกขาเวทนานอย่นยังไงไงเวทนาก็มี พอทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะัโทสะก็แทรกสุ ข, ขเวทนาเกิดขึ้นราคะก็แทรกอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นนะั้นโมหะก็แทรกงั้นการจะตัดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ได้ไปกําหนดเพื่อไม่ให้เกิดเวทนาเพราะว่าทํายังไงเวทนาก็เกิดถ้ากําหนดได้เวทนาจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาทางเดียวที่จะตัดปฏิจจสมุปบาทขาดก็คือเกิดวิชาละอาวิชาไปวิชาก็คือความรู้แจ้งในกองขันนี่เอง ในกายในใจนี่รู้ความจริงของเขาล้วนๆเลยไม่มีเราอย่างพวกเราพอมีสติขึ้นมารู้สึกไหมไม่มีเราร่างกายไม่ใช่เราแล้วเป็นของถูกรู้ถูกดูเวทนาก็ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปนะที่คุณเปลี่ยนสีเห็นนะเห็นถูกต้องแล้วงั้นถ้าไปภาวนาดูทีไรเวทนาดับทุกทีนี่อาการหน้าเป็นห่วงแล้วแสดงว่าเพี้ยงเก่งเนี่ยดูลงไปเรื่อยๆเลยจะเห็นขันแต่ละขันเนี่ยไม่ใช่เรา ที่เรามีสตินะเรเห็นซ้ ำ, ซ, ำซ้ำเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นมามันยอมรับสภาพไม่มีเราจริงๆรตอนช่วงแรกๆกที่เห็นว่าไม่มีเรามันจะกลัวก่อนบางคนกลัวบางคนรู้สึกเวงว่างบางคนรู้สึกหาที่พึ่งไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนรู้สึกเบื่อตัวเราหายไปแล้วโลกนี้น่าเบื่อเลย ตัวนี้ให้รู้ทันลงไปนะีถ้ารู้ทันแล้วก็รู้สภาวะต่อไปเห็นอีกจิตยินดียินร้ายขึ้นมาจิตทํางานจิตทุกข์จิตไม่ยินดียินร้ายจิตไม่ทุกข์นะรู้ลงไปเรื่อยในสุดจิตจะรู้สภาวะโดยไม่ยินดียินร้ายนะไม่เติมไม่ทํางานต่อไม่ทํางานต่อนะวัตวจักรนี่ขาดลงขาดครั้งที่หนึ่งก็ขาดชั่วคราวนะแวบเดียวเองเดี๋ยวก็ทําใหม่ตัดไปสี่หนนะสี่ครั้ง จิตจเหลือแต่กิริยาล้วนๆเลยก็เนี่ยจิตจะไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรโดยไม่ต้องรักษาละแต่ว่าไม่ใช่มีสองชั้นนะอย่างคุณเป็นสีถ้าฝึกไปแล้วดูจิตคนอื่นออกจะเห็นไปดูอาจารย์เถอะอาจารย์มีจิตสองชั้นมีชั้นชั้นในนี้ว่างๆไม่มีอะไรนะแต่ว่าใจไหลไปอยู่ข้างนอกธรรมะของแท้ของจริงที่เรียกว่าจิตหนึ่งไม่ใช่จิตสองชั้นหรอก จิตที่ยังเป็นสองชั้นยังเป็นคู่อยู่มีในมีนอกอยู่เพราะว่าเราไปภาวนามุ่งตัดเวทนาตัดไปตัดไปนะดับลงไปนะดับความรู้สึกลงไปเพราะวิธีที่จะตัดเวทนาได้ดีเนี่ยมันมีสองานหนึ่งอันหนึ่งก็คือเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเข้าไม่ได้อีกอันหนึ่งที่ปุถุชนทาได้นะคือเข้าอาาสัญญาสตตาภูมิพรหมลูกฟัก ถ้าจิต ด, ดับลงไปก็ไม่มีเวทนาละเงื่นที่ฝึกเพื่อดับเวทนานั้มจะไปสูญญ่อญิยสัตตาภูมิแต่ถ้าฝึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ลงไปสภาวะแต่และตัวไม่มีเราเนี่ยจะค่อยละความเห็นผิดว่ามีเราแต่ไปดูไปอีกก็จะละความยึดถือในรูปในนามเป็นสองชั้นชั้นแรกละความเห็นผิดอย่างพวกเราดูรู้สึกหมความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่เราดูออกไหม ความโลภไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งที่จิตไปรู้เข้ า, าแต่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานะี่หมืจิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาแยกแยกรูปกับ น, นามออกจากกันมีการปฏิบัติหลายคนนะฝึกแล้วมันเพิ่มอัตตาไม่ใช่ลดอัตตานะมันเพิ่มอัตตาอย่างพยายามกําหนดให้มีรูปอันเดียวไม่มีนามพยายามบังคับนั่นเอง ทั้งทงที่ของจริงมันมีทั้งรูปทั้งนามแต่ไปไปดัดแปลงมันไปบังคับให้เหลือรูปอันเดียวเพ่งแต่รูปอันเดียวเพราะว่ามีนามแล้วมันมีความทุกข์ได้ถ้ามีแต่รูปไม่มีความทุกข์เพราะรูปไม่มีความทุกข์รูปเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์รูปไม่ทุกข์ฝึกไปเรื่อยๆรู้สึกกูเก่งกูเก่งนะสว ก, กูเก่งพอตายไปก็ไปเป็นพรหมลูกฟัก จุติจากฟลมลูกฟักมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดะระลึกชาติได้นะพวกนี้จะเกิดมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งเพราะสิ่งทั้งหลายเนี่ยอุบัติขึ้นเองอยู่ๆก็อุบัติขึ้นเองไม่มีเหตุหรอกนะเพราะว่าระลึกไปชาติก่อนนี้ไม่เห็นมีจิตเลยนะอยู่ๆจิตก็โผล่ขึ้นมาเองนะนี้จะเป็นส่วนมากจะไปเป็นเรียกว่านิยตามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิถาวรพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะไม่ไปเกิดในภูมิของอสัญญาสต์าเลย เป็นภูมิต้องห้ามเลยงั้นเราอย่าน้อมใจให้ดับลงไปนะอ <c oughs> ใครมีอะไรเฉินอา้าวคุณยาวเอาเส้หน่อยหายไปนานต้องขออนุ ญ, ญาตรายงานนิดนึงนะคะหายไปเจ็ดเดือนอะไรนะหายไปเจ็ดเดือนนะคะ oh. เป็นรักษาตัวหกเดือนแล้วหกเดือนกว่าแล้วค่ะก็รักษาตัวโดยวิธีของหมอจีนนะคะ ฝังเข็มแล้วก็กินยาจีนแล้วก็ทุกวันที่ฝังเข็มเนี่ยฝังประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงซึ่งก็มีการมีทุกขเวทนาที่กายเยอะเลยแล้วจิตก็ไปดูไปดูแต่แยกไม่ออกนะคะมันก็ยังคงเป็นกายก็ยังปวดปวดเมื่อยเมื่อยแล้วจิตเราก็รู้แล้วเราก็แต่เราก็รู้ว่ามันหงุดหงิดนะอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ โอ้ยทำไมวันนี้เจ็บมากกว่าเมื่อวานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ดูเห็นสภาพของจิตสภาพของกายไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะแต่ยังอื่นพ อ, อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือว่าบางทีก็ดูเพลินๆหลับไปเลยถ้าวันไหนเวทนาไม่มากวันนั้นก็คือจะหลับไปเยอะแล้วเวลาที่นอกเหนือจากการฝังเข็มแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างเคยนะคะ ยังเคยตั้งแต่สมัยไปกาญจนบุรีคือเพล่บยุณคุณยายช่วยกใหม่สูงนีดเพลอบ่อยๆอ๋อเพล่บ่อยๆค่ะเพลอบ่อยๆอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรก้าวหน้ายังอย่างเดิมก็ถ้าเจริญสตินะมันก็ก้าวหน้าแหละถ้ากําหนนก็อย่างเงี้ยก็พยายามแต่ว่าจิตจิตดีขึ้นนะก่อนที่จะคุยกันนะะจิตก็รู้ตื่นขึ้นมาละอ แต่ว่าเราอย่าไปตั้งเป้าว่าเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่เจ็บให้มันไม่ปวดเราเจ็บเราปวดเราดูลงไปนะความเจ็บความปวดไม่ใช่ตัวเราดูไปนั้นค่ะอันนั้นอันนั้นก็ทราบอยู่ก็ดูลงไปแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแยากกายแยกจิตได้ไงคะเพราะการดูกายและเวทนาเนี่ยมีเงื่อนไขสําคัญนะต้องทรงชนันเพราะงั้นกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถญานิกนี่พวกเราที่ชอบไปดูกายอะ่ะ ไม่ทำชนนันค่ะในนี้ในระหว่างที่ดูกายก็ก็หันมาดูจิต ด, ด้วยก็อย่างว่าหงุดหงิดมั่งรำคาญมั่งหรือไปเปรียบเทียบอ๋อวันนี้ปัจจุบันกับเมื่อวานนี้อดีตว่าเออเ อ, อ, เ อ, อมันต่างกันมนเหมือนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเลยคือถ้าเราจะรู้กายจริงๆนะใจต้องเป็นผู้รู้ใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู มันต้องอาศัยกําลังของสมาธิช่วยถึงจะแยกออกมานี่ส่วนที่คุณยาวฝึกมาเนี่ยถนัดที่จะรู้กายใช่ไหมแต่ไหนแต่ไรเนี่ยไม่ถนัดที่จะดูจิตงั้นส่วนใหญ่เนี่ยดูกายแต่ว่าดูด้วยจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตถลําลงไปเกาะในกายเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นถลําไปเกาะในกายมากคผลมันไม่เกิดนะงั้นถ้าจะดูกายต่อไปเนี่ยให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาก่อน สังเกตใช้การสังเกตเราก็ได้ใจฉลาดไปแล้วรู้ฉลับไปแล้วรู้นะมันอยาก็ได้ตั้งมั่นพาตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วเนี่ยรู้กายรู้เวทนาถึงจะรู้ไหวถ้าถ้าจิตไม่ตั้งนะไม่ไหวหรอกใช่ค่ะทีนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าทำให้จิตตั้งมั่นคือว่าเมื่อไหร่จิตเผลอออกฉลับออกรู้เมื่อ น, นั้นนั่นก็คือว่าเราจะมีสติว่องไวขึ้น รู้เร็วขึ้นนั่นคือเท่ากับว่าเป็นแบบฝึกหัดที่จะทําให้จิตของเราตั้งมั่นได้มากขึ้นแต่ว่าตั้งแบบนั้นยังไม่พอค่ะนะมันตั้งได้ด้วยคณิกาสมาธิกายและเวทนาเนี่ยต้องอย่างน้อยอุปจาระหรืออัปปนานะต้องเล่นนาน า, นาปณาสติเล่นอะไรอย่างงี้ซะก่อนแลค่อยมารู้กายคือใจต้องมีกําลังขนาดนั้น หรือบริกรรมไปก็ได้มันได้อุปจาระสมาธิอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะจนกระทั้งใจไม่เคลื่อนเลยเสร็จแล้วก็ใจเคลื่อนไปก็รู้ทันอย่างเนี้ยถึงจะมีแรงส่วนการดูอย่างที่บอกคุณยาวเนี่ยมันจะได้แว บ, บเดียวพอแว บ, บเดียวไม่ตั้งมั่นมันตั้งชั่วขณะเป็ น, นคณิกะเอาไว้ดูจิตนะนะค่ะเพราะนั้นยังย่งดูกายก็ยังแย่นะคะ ก็ยังออกไปเรื่อยๆเผลอไปเรื่อยๆอมันมันไม่อยู่กับที่แล้วก็เลยเกิดตัวที่บอกว่ามีความท้อถอยว่าเราก็แค่เนี้ยมันอย่างเงี้ยค่ะไม่อย่าไปถอยน ะ, ะคือถอยหรือไม่ถอยนะวันหนึ่งเราต้องทําศึกใหญ่เราต้องเตรียมพร้อมอ่ะคือคือจนป่านนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมพร้อมยังไงอ่ะนะค ะ, ะฟังพระอาจารย์มาก็ตุกี่ปีแล้วเนี่ยก็ยังอย่างเดิมแต่ฟังอาจารย์มาหลายปีก็จริงนะ แต่ฟังแล้วไม่เอาทำไม่ได้ไม่เอาทาไม่ได้ฟังด้วยกันคิดอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ได้หรอกวิธีนี้เราทำไม่ได้หรอกเราจะต้องไปทำยอย่างน้ อ, น อ, นอย่างน้นก่อนอะไรเงี้ยคือคือก็พยายามที่ว่าจะาดูจิตซึ่งหลวงพ่อบอกว่าพระอาจารย์บอกว่ามันไม่ถูกัจริญ ต, ตัวเองเพราะได้ฝึกอย่างโน้นมานานมากมเพราะฉะนั้นการที่จะ ไปดูจิตได้เนี่ยต้องดูกายได้ก่อนใช่ไหมคะกายจะต้องไอจิตจะต้องไม่ใช่ไม่ช่นคือใจเราจะต้องตั้งมั่นใจ้งตั้งใจตอนเนี้ยมันอ่อนอ่อนกำลังไปมันอ่อนมากๆเลยมันก็แวบไปแล้วก็แวบมาตลอดเวลาใช่ค่ะคือถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราไม่มีทางที่จะไปรู้กายและเวทนาได้ดีหรอกที่ทําได้ก็แค่ดูจิตไปเท่านั้นเองทีนี้ทีนี้ทีนี้ถ้ากายเราไม่ตั้งไอ้ใจเราไม่ตั้งมั่น เราจึงจะดูกายดูเวทนาไม่ได้ดีทํายังไงเราไม่เอาละฝั่งนั้นเราจะเอาดูจิตให้ดี ด, ดูจิตไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีข้อจํากัดแล้วเราทรงฉานไม่ได้ใช่ค่ะเราทรงฉานไม่ได้เรารู้กายเวทนาไม่ไม่ผ่านอ่ะค่ะเนื่นดูจิตไปเวลาดูจิตนะมันเหมือนน้าหยดลงตุ่มน้ำนะหยดทีละหยดนะหยดกลางวันก็หยดนะกลางคืนก็หยดแต่กลางวันหยดแล้วเราเหยื่อเยอะหน่อย <c ười> คือหยดเล่วเหลือเยอะหน่อยทีนี้ในการในการที่ดูจิตสะสมเหมือนน้ำลงตุ่มนี่ก <c ười> ็คือดูก็คือเผลอเมื่อไหร่ก็รู้เผลอเมื่อไหร่ก็รู้ใช่แต่มีเครื่องช่วยไว้อันหนึ่งืเครื่องช่วยเช่นอาจจะขยับนิ้วอย่างนี้ก็ได้ออขยับเล่นเล่นขยับเป็นแบ็ k กราวน์ะนะเวลาเผลอม่ได้เผลอไม่นานแล้วก็วันหนึ่งก็แบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบบ้าง เวลาทำในรูปแบบก็คือเคยดูพองยุบดูไปแล้วใจฉลาดแล้วรู้รฝึกอย่างเนี้ยแบ่งเวลาไว้ฝึกถ้าเราไม่ฝึกในรูปแบบเลยจิตจะไม่ค่อยมีแรงอ่อนไปเวลาหลงหลงยาว<ช>นะงั้นรูปแบบเราก็ไม่ทิ้งนะก็อย่างว่ารูปแบบก็ทําน้อยลงโมโมวุมว่นวายกับกับการรักษากายเยอะมากวันหนึ่งสีเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยใจค<า>่ําครวนแล้วรู้สึกไหม ใจหนีไปคล่าครวนแล้วเออเนียให้รู้โลกปัจจุบันอย่างนี้นะมันค่ําครวนแล้วเวลาที่ใจคล่าครวนแล้วพระอาจารย์บอกว่ารู้ไหมว่าใจหนีไปคลําครวนรู้ว่าสมองมันคิดแล้วคาพูดมันออกมาเป็นการคลําครวนแต่ไม่รู้ใจเลยไม่รู้สึกที่ใจใจมันอินไปกับความคิดนั้นอ๋อค่ะอันนี้อันนี้นั่แหละเรียกว่าใจมันค่ําครวนแล้มันอินอะตรงที่ใจตั้งมั่นเนี่ยสําคัญมากเลย โดยเฉพาะคนที่รู้กายและเวทนาถ้าไ ม, ไม่ตั้งมั่นนะอริยมรรคไม่เกิดหรอกกระทั่งคนดูจิตถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ อ, อริยมรรคไม่เกิดเหมือนกันอย่างบางคนดูจิตรูปเดียวเลยทิ้งรูปแบบไปจิตไปอยู่นอกๆจิตไม่ถึงฐานมันเมื่ออาทิตย์ก่อนมีพระท่านมานะพระพระผู้ใหญ่มากแล้วท่านพษ า, ามากแล้วท่านก็ภาวนาเก่งท่านอยู่ในป่าท่านบอกว่าท่านเป็นมา เ, เรีย ปวดมากเลยแล้วก็ท่านคิดว่าต้องตายแน่ละท่านก็มีสตินะรู้กายรู้ใจลงไปกายก็ไม่ยึดนะใจก็ไม่ยึดไม่ยึดอะไรเลยแต่เสร็จแล้วไม่ตายพอไม่ตายขึ้นมานี่เอ๊ะท่านก็สงสัยทำไมมันไม่ตัดด้วยก็เห็นก็กายก็ไม่ยึดนะใจก็ไม่ยึดทาไมไม่ตัดที่ไม่ตัดก็ท่านทำจิตให้ดูนะว่าเนี่ยท่านดูอย่างนี้อย่างนี้อ๋อที่ไม่ตัดเพราะจิตไม่ตั้งมั่น จิตมันถลําลงไปในกายจิตมันถลําลงไปในเวทนาแล้วลงไปแช่รู้กายด้วยการแช่รู้กายเวลารู้เวทนาก็ไปแช่อยู่กับเวทนาแล้วก็ไปดูนะเห็นมันเกิดดับแต่ดูแบบมีส่วนได้เสียแล้วเนี่ยดูแบบถลํารู้ตัวตรงถลํารู้นี่ใช้ไม่ได้ใจต้องตั้งมั่นสักว่ารู้อยู่ถ้าจิตไม่มีกําลังของสัมมาสมาธิหนุนอยู่จิตจะถลํารู้ถ้าจิต ม, มีสัมมาสมาธินี่ปัญญาถึงจะเกิด เพราะปัญญานะมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนั้นการถลำรู้เนี่ยเป็นตัวมีปัญหา่อางที่เราฝึกกันก่อนก่อนเราฝึกแทบตายนะรู้หมดเลยนะอะไรอะไรเกิดดับนะทาไมมักไม่เกิดมักไม่เกิดเพราะมันถลำรู้ถลำลงไปอยู่ที่ท้องถลำไปอยู่ที่เท้าเนี่ยทาไมเราใจเราถลำไปเรากำหนดรูปนามแล้วใจถลำไปเพราะเราเรียนข้ามขั้นไ เราเรียนศีลสิกขาเรารักษาศีลเราเรียนปัญญาสิกขาเราข้ามจิตสิกขาไปจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเลยถลำรู้จิตถลำรู้ปัญญาสิกขาไม่มีจริงหรอกงั้นที่เดิมที่ทำอยู่มีคุณธรรมหลายตัวที่เราได้มานะที่พวกเราเคยฝึกกันนะอย่างเราได้ความอดทนอดกลั้นได้ความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัตินี่เรามีศีลเรามีสัจจะเรามีคุณธรรมดีๆหลายตัวมีความเพียรวิริยะบรารมี เราเสียสละกระทั่งความสุขส่วนตัวเราก็เสียสละได้เป็นทานสละได้สละความสุขความสบายของกายของใจเราเรามีบารมีหลายตัวขัดกําลังคือสัมมาสามาธิเท่านั้นแหละถ้าเราเรียนข้ามขั้นไปคือถ้าเจอหลวงพ่อเมื่อก่อนนะเรียนจะรู้จกกักจิตที่ตั้งมั่นนะเราเอาไปทําอย่างโน้นน่ะป่านนี้ไปไหนแล้วก็ได้มันขาดกันอยู่นิดเดียว แต่มันไปขาดตัวสําคัญแนละ้เพราะอะไรสัมมาสมาธินี่นะเป็นภาชนะในพระสูตรบอกเป็นภาชนะที่ประชุมหรือที่รองรับองค์มรรคที่เหลือถ้าขาดสัมมาสมาธิทั้งแค่ตัวเดียวนะมรรคที่เหลือจะแตกกระจักระจายออกไปเวลานี้จเจริญสติเวลานี้ทําโน้นเวลานี้จเจริญตัญญานะเดี๋ยวช่วงนี้จเจริญรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยกระจาย สมาสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะเป็นที่รองรับ อ, นะองค์มครรคทั้ง7 เ, เนี่ยแวดล้อมสมาสมาธิอยู่อย่างที่คนโบราณสร้างพระฟางนาคปลกพระนาคปลกนั่งสมาธิอยู่ตรงกลางใช่ไหม อ, องค์พระนั่งสมาธิแวดล้อมด้วยมรรคทั้ง7คือเสียรของพญานาค7เสียรนั่นเองเฉะนั้นตัวที่จะประชุมหัวหนาคเข้าด้วยกันนะก็คือตัวสมาสมาธิใจที่ตั้งมั่นเอง ใจไม่ตั้งมั่นนะหัวมันเลี้ยวไปทางโน้นทีหัวมันเลี้ยวไปทางนี้ทีนะันยื้อกันไปยื้อกันมาดนั้นที่ขาดขาดตัวนี้เท่านั้นแหละตัวอื่นก็ทำมาเยอะแล้วงั้นดูลงไปเรื่อยให้รู้ทันลักษณะจิตที่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นรู้ไปเรื่อยถ้าเราทำชานไม่ได้เราทำได้อย่างนี้ก็ดูเอามีรูปแบบไ้ด้วยอาศัยขอบพระคุค่ะ อ่ะไม่ชี้ไหนก็ได้ก็อยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่ามันพัฒนาขึ้นไหมคะจิตมีโมหะไม่ชีดวกไหมค่ะเออจิ ต, ตมีฮแล้วจะทำไงให้มันทำไงอะ่ะให้มันหายไปรู้สิรู้รจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหนะจิตไม่ชอบโมหะรู้ว่าไม่ชอบโมหนะรู้ด้วยความเป็นกลางแม่ชีไปทำอะไรมาใจมันถึงฟุ้งๆไป เอาก็ไปรักษาอยู่กับพี่ยาวเนี่ยค่ ะ, ะไม่สบายด้วยกันเลยคือคือเป็นคนละอย่างค่ะดิฉัน ท, ที่ขอบตาดำเหมือนหมีแพนด้านก็หมอจีนเขาบอกว่าข้างในเราเรียกว่าวายวะภายในหลายอย่างที่มันไม่ดีก็เลยไปฝังเข็มด้วยกันแล้วก็ไปอยู่ที่โคราชเหมือนกันเหรอค่ะแต่ดิฉันเพิ่งไปอยู่ได้สามเดือนเสร็จรพี่ยาวเขาอยู่มาหกเดือนเลย ก็ระหว่างนั้นก็พยายามที่จะแต่คุณยาวจิตสงบขึ้นนะเห ม, มันฟุ้งน้อยลงไปเยอะเลยเป็น <c oughs> แ, แม่ชีหมดแรงแต่ระหว่างนั้นก็พยายามอยู่เนี่ยนะคะมหมายความว่าตอนเย็นๆค่ำๆอะไรก็เดินจะกลมแต่สังเกตได้เลยว่าการเดินจงกลมเนี่ยแต่ก่อนเดินชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยก็เฉยๆนี่เดินแบบสักครึ่งชั่วโมงมันรู้สึกเบื่ อ, อขี้เกียจไม่อยากทําอะไรเงี้ยมันจะมันเหมือน หงุดหงิดลำคาญบางทีมันก็ง่วงบางทีมันก็อะไรอย่างนี้ยค่ะก็ขี้เกียจก็เดินไปขี้เกียจก็เดินไปขยันก็เดินไปมันก็ขี้เกียจก็เดินขยันก็เดินแต่มันก็รู้สึกว่ามันมันก็จิตมันก็ฟุ้งกระจายไปไหนอะไรคือเราเราปฏิเสธความป่วยไขของเราไม่ชอบมันหงุดหงิดคือถ้าป่วยไข้แล้วอยู่กับมันนะไหนไหนมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอะไม่เกลียดมันนะก็ไม่หงุดหงิด จิตใจก็สงบง่ายตั้งมั่นง่ายเวลาฝังเข็มกระดุกกระดิกไม่ได้เยอะนะขยับนิ้วไปเราเดินจงกรมด้วยขาไม่ได้เราเดินด้วยนิ้วขยับเนียขยับไปเรื่อยขยับแล้วทำสองอย่างอันหนึง่งถ้าใจเราไม่มีแรงนะก็ขยับเฉยเฉขยับแล้วให้ใจจดจ่ออยู่กับนิ้วแต่สมถะจิตก็จะมีแรงขึ้นมาพอจิตใจมีแรงให้รู้ว่าจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานขึ้นมานี่กลับมาดูจิตละ ขยับไปคราวนี้ขยับเป็น background แบ r ก u n าวละไม่ใช่ขยับให้จิตไปอยู่ตัวสำคัญคือดูจิตขยับแล้วก็รู้ทันจิตแฉลบท้ายแฉลบกว่ารู้ทั น, นเดินตัญญาต่อไหนๆก็เดินไม่ได้ถูกฟังเข็มไก็ขยับไปเนี่ยไปคิดว่าเป็นมีแพนด้ามีแพนดะ้านั้นมันนอนทั้งวันเลยแล้วรู้สึกเลยคะ่ะว่นนอนเยอะมากต้องนอนเยอะมากค่ะ คืนนอนหลายชั่วโมงก็ธรรมดามน่าขยับไปเพราเรากระดุกระดิกไม่ได้เยอะเราเดินจงกรมด้วยนิ้วหลวงพ่อก็เดินนะสมัยก่อนเดินจงกรมด้วยนิ้วทีนั่งคุยคนนะบางคนเราคุยด้วยมันเบื่อมันงี่เง่าแล้วนั่งอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็ขยับไปเนี้ยคุยยิ้มแย้มนานๆออกมาฟังที อ๋ยังอยู่ที่เก่าเลยได้ขยับไปสังเกตุดูพวกพูดมากอเนื้อหาไม่ค่อยมีนานๆสุ่มฟังเอาก็รู้เรื่องนะขยับขยับของเราไว้ไม่เสียเวลาอเชิญขพควกคราไปการแคปนิมนต์ท่านอาจารย์รคบนิมนต์